ตั้ที่มาแล้มันมาที่ก็มาแทบทุกปีแหที่หมดแล้วรานาหมาแต่ก็ยังมีก็มีเปิดใหม่ปิดไปเปิดใหม่แล้วก็ปิดได้แต่ร้านนี้คงเปิดตลอดไปใช่ร้านต่อไปต่อไปมองะไรเนาะมีคนคนพอแล้ว ูก็เงพจะดูปัจจัยพอเงินภาษาภาษามีพ้อกบบนี้ก็เห็นรอแหงลับที่แหงเงินอยู่ที่ออสเตรเลียก็อะไรงแล้วแต่แล้วมนีลูกที่หลั็เราไปแตพ่อผ่อนพ่อผ่อนที่พราว่าเปนินประมาวนานเลยว่ะอาหารตามใจ ใจจะเรียงนาเรียกใจบ้านเรียกเท่าไหร่ก็เท่ากบแก่ร่างกายใจไม่ค่อยเลียงกันาใจไม่ได้ซือานไม่ค่อยเลี่ยงแต่ก็เลยหลงขอายว่าเป็นของปู่ของปูกายไม่ใช่ของเราของคุนพ่อคแม่ก็เท่าแก่จ็ตายนะ <laughs> แต่วแต่แงแล้วเรียกมาเต็มทุกเป็นโน่นเป็นนี่จะไม่เป็นก็ไปหาหมอไปหาหมอ <laughs> หาตอแต่ก็ไม่ห า, ห, า, ราหรอหน้าที่ของร่างกายไม่ได้ยินเสียงรของพระพุทธเจ้าร่างกายเกิดแล้วแก่เจ็บ <Yep. S 1> ตาย <c oughs> ตรงมีหน้านะที่ของร่างกายจะไม่เก็บไม่ขุยได้ยังไงเอาอะไรมาป้องกันแบบมีแต่ของพุทเจ้าเนี่ยแต่ของ า, าพุทเจ้ารักษาได้แล้วไม่มีเกิดไม่เกแกเกิตายก็ไม่มีแล้วหรือไม่อยากเอาไม่เกิดไร่อากเกิด <c oughs> อาจาร์เ้าสอนให้ปฏิบัติใจแล้วมากเกิดไปหลพ่อก็ไม่ต้ อ, อยู่ในเป็น่านแล้ว ม, มีที่สนุกสนุกสุขทางใจแต่ลตั้งว่าเมือม่อฝ่าทั้งแต่ก็ฝนแตุ่กื่ค้น่จะถือก็เป็นเอาแน่อะไรเอาอมานค้น ถ้างินน้าล่นได้หน่มาอยู่นานแล้วบัญชีเงินมีกี่ล้านแล้วรู้อ่ะไม่มีอ่ะน้องสาวเลี้ยงจ้ะน้องสาวเลียงม่ค่ไม่ค่ะตัวเมียตัวเกี่ล้านครับอะไระกี่้านแล้วหาีแล้วอยู่ที่สาอี่ะค่ะ หนูตาหนูไม่มีตังมีแต่นี่ยงแ้วกหาแต่อะไรอยู่ทุกฝันอยูม่งมั่ถามใครผมไม่มีคำตอบไม่มีไม่มีมหาอิทธิปุัตะเจนทองจำเลยไม่มีน้ำก็อีฉันไม่ได้หาไว้มหาชัย อ่ะไอมหาใจก็เป็นท่านเขาเน่ยนักเ็กเ็บควายเด็กเป็นเด่ไม่นักเด็กเก็วายดด็กเป็นเดกนักนักคนเวลาเท่าไหร่บอกว่าหลุผูมาเจ็ดโมงคึ่แเด็เขากําลังมาแล้วค่ะตอนนี้มึงโทรตามทุกคนแล้วค่ะอ๋อตอนนี้มีมองละตอนนี้เจ็ดโมงสิบสามค่ะอ่า ไปคุยเรื่องหนังสือมาเลยการจิน่าไฟนะาหนังสือให้หควงปู่แล้วก็การจน่าไฟล์นะผู้พับคดีทำหนังสือจะทำหนังสือเรบมองมลคดีอ่าผู้บาดจไม่ทำตามสิ่งแค่นี้นี่จะเรื่อนมลแต่ไม่ทำมัดใจบ้างอันนี้นะมีธะด้วยค่ะกำลังแปลอยู่ค่ะไอเนี่เป็นสัทธายักษิ พอหลงมาบวชเขาจะได้สูงได้ค <Luther> ือแบอะไรนี่ยหรอคราต่างๆมันเยอะยะ้ตา่หดิแกตปวเยส่วนมากอยใหบปับันเยอะอังมาเขาจะได้ให้ปัจจบัเย มีต้องพูดมากพูดมากเข็นขาดตรวจได้จะมได้หมดด้านหนังสือเราก็ไม่แต่ว่านิทานหรอกต้องมีตัวชี้ใจให้มี้ใจติวใจถ้าใจไม่มีอะไรเราก็ไปได้คำคำเดียวของทุกอย่างไม่หาคนมีออกจากใจ นาที ค, คือคำสำหรบบ่มีออกจากใจรู้ปะมีรักก่เกิดมีร่วยพ่เกิดมีดีใจพ่เกิดมีเสียใจกเกิดีเลยเยใจก็ไม่มีโรกไีโล ก, กมาจากคนรวยวอยากร่รวย อยามน้องเกิดถ้าขึ้นเที่ยวเคาอยากเกิดไว้เจ้า อ, ใ ห, า อ, อ, อ, ใ, อให้โดยเฉพา่านวีร่างกุมี่ยจัใจที่สอนใหโลกเขาก็บอกทำไม่ได้ก็ได้ถึงทางโลกก็าทางโลกก็ทาได้แต่ม า, ากคนไม่ทาลูกไห้ยังดีกว่าไม่ลูกลูปไห้ใช้ว่าตาเป็นหัลงทางเดินในตรง ยิ tay, tay, てて่งแชายังไม่เต่ากับกระต่ายเราเดินมากระต่ายงแกล้งเตาเต่ายังแกลกระต่ายได้เขาให้ตรงยม่คมากไม่ให้ตรงพัก่อนญาติโยมมีใช่ลุกตาต้หนิดนะอว่าลุกตาต็มนิดหรอกพระจไทมี้ด้วยวัดดีๆวัดไปไหนับสอนนาโยมโยมมาอะไรทำไว้ทั้งชาทาน้าเติมตุ๊กตุ๊กญญา เดินถวายธนชาติเดินตรวจหน้าเไม่ถ้องาไงหยงงนี่ม่ like prayed, ม tweeting. เ่สีย่นกกู ให้ใจของเราเคารวดวมถึงพวก่าบางคนติดนะบางคนติดนะิดแล้วไม่ได้จุดเหลือาไม่ได้จพ ไ, ไ, ไม่มารับบุญจิจากิาจิต น, นอไ่ได้มารับบุญโ้หไจะไปเร็วที่สุ ด, ด, ด่งนะเก่แต่ยรับบุญุนอย่อเวแล้ว ยกเ ว, นกว่นเพาะคนนั้นได้ทำคุญแจกลมดีเต็มเตี่ยมเรไม่ต้องคอยจอยู่ใคร้ทําเต็มเตี่ยมาก็ไปเลยก็มีอย่างเดียวที่พวกไม่ได้ทำบุญเกิมดมา ไ, ไ, ไม่ทำบุญเลยเสียดีวิตเราก็ไปคนจากพี่น้องเลยอ่าอยาไปจุ้งเรื่อตาลลื่นท่าไร <c oughs> ไม่ใช่รบกูมา ก, กินเลย <c oughs> หูมาให้พอใจไหมไม่ใช่หลวงปู่มาเอาเดี่ยวเที่ยวครับเซทโอโอท่านโอ้อะไรนะจ๊ะขที่รัทําทหปู่แลบาเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงหลวงปู่เป็นเียินเสียงกเเป็นยินเสียงนา จากเล่นอะไรียะมีกี่ฟังแหงกันนัะแป้นัมซานันั่นัมมีทัไม่ัดหยาบเดี๋ยว่อนบตากเลยปั๊น่นแล้เดี๋ยวพี่เสียมเขาเสียบเขาเขาจะยกนั้นแหะเอาต้องกินไม่ใช่ว่ากินมันชายำชา เดี๋ยวผมย้มเคยน้อยๆเอ้ยป้ดิจิตเนียม thấy ผมยิบบต่างกันนมห่้อปาเหมือนเอาหยอต่างกันาเยไปทเรียบรอครับาไปง่ายๆเงานี่นมัน แม่อาม่ขนมหวานเสียวนึกถึงเสีใจใจล้ว ได้ยินได้ฟังเป็นมงคในชีวิตเาจทรจรเว่าจริงๆเนี่ยไปเห็นเป็นมงคลธรมนานันจากทรนันเอตัมมังกนตตมังมนานจักหม่หมนืนวดธรรมนานันจากทระันเอ ไม้สวนได้จะได้จะไม่รู้ไม่มีฟันตวันไม่มีฟันไม่ฟันหรือสอนในนกแก้วมันก็พรบได้ดแต่เระรูงไม่ดิหรอจะให้หอกหาสะวันสวันในอกนรกในใจตันะ้งเสียงพระพุเจ้าหัหาที่ใจใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ลม เราอยู่ปรับลมแต่ไม่รู้ถ้ามีมีรวมใจกว่า น, นี้เราใช่ไหมง่ายคุกเจ้าตองบง่ายแต่ว่ายอว่าบไหมกันทำไม่ได้ น, น, ดดไดนั่นเห็นบ้างรดูลมแ่ดูก็ได้สิว่าเัืองไหเดี๋ยวห่าย่ายร่มโร้านนี่มีเจ้าเหมือนต้องร่มอไินั้นเขาผมปลาสายกัน ค, ค็ถึงไก่ แต่ภาษาการมันไม่ถนาดสิตงเที่ไใหม่โอ้ยต้องกระจายสาลต้องกาทั่วปนีคุ้นเคยเข้าไปทุ๊กจอกอะไรอย่เียรที่มนนไหวที่หลวปูครับมนพระเยอะหลวงปู่ไม่ไหวจด้วยบิงทีมันน่มนพัะอาจารย์มาคงติดแก่ก่อนกกวงพ่อหุวงพ่อาทอะไรไม่ได้ ก่อนโยมกไม่ได้แล้วถ้าหลวงปู่มีมนาวหลวงปู่บอกเลยแถ้ามีผูกมีเทียนขนรองไม่แหมาตั้งไว้เวลาทิ้ทีตัวสมมติสมน์แดงเทียนอยัางนีอะไรก็ไม่ถูกเทียนก็ไม่ทำหลอดไม่ก็ไม่เอาหลอกไม่จระจายแกกันน้ำกระจายก็ดุงไปต่อคนได้บุญหรือได้บาปพราะว่าประเทศเรานันรอดเถ้าไม่ใส่น้ำหลอดโป๊อก ไม่เหมือน nhau ลุงปูไอ้ฉันคือดอกไม้มาเจอแยราคาแพงเเกินลุงูขอแกกันหน่อยแต่ปูเคยคิ้นะว่า่เอาไปห่อผูหาเมื่อออไปจะกินจาบ้านเรีนไฟเรียนบวบั้งภาษาท้งไาวเดี๋ยวดอกไม้าหวมักยดทั้งเรียนหนด้วยใจไหมมาลากันทาวเยอะเลยินข มวยชาระดับประดาเราไม่รูปไร่ของขอที่ใพระทำไมไม่บอกโยมหรอกประการใโยมเงินทอนอะไรได้ก็ทาหมดเสีหรือพระไม่รูบุญปักโรออะรหรอต่มาเาได้เห็นบุญเยอะเนี่ย่ใครได้ยิบนี่านก็ไบุญจุตะมุกแต่วันเปนุ เห็นเห็นสวรรค์เห็นใจเห็นปณิธานสวรรค์ในอกนรกในใจไม่ต้องพูดถึงปณิธานเราพูดถึงวสวรรค์แต่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจรไไนรกเป็นยังไงติดต้งรวยสวยงามใหมอนรกหมอใหญ่นะตำรวยมาแล้วคนมายืมสองมคำไม่เอามาใช่ที่สามกมื อ, มอปืนไปปอบให้หรือไม่ให้ยืมมากกี่ลา นรกไม่หรอกใจก็ไม่มีควสุบเนี่ยทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะเป็นนี่เป็นนี่ค่อยลหาเรื่องอะไยิย่ยิทุกวันนี่นี่นเขายิใจใ่จ่ายในนั้นธนาคาร์ ข, ขอปล่อยกู้ที่นี่ยุคนี้คนบ้านก็ไม่มีได้น้าก็ไม่มีเขไปจำน้องจองจำหมด้ มีน้อยคนที่จะไม่จะมองจองจับพวกที่มีลูกหลานยืดได้ครอบครัวไหนลูกหลานยืดได้เรอไม่เหลือเลหลสิทิจะวาไม่ไดก็ไหนเอาเทไว้นังงวกเพื่อจุน่นไอ้นาดีบุุเียบมดเจงินสัเรียบเพอยกางพันดี๋ยเคนบ้านนอกไม่ได้ไม่รู้น เขาเรียมก็ตปดิมูติบพวกอาที่ยู่มยย์เขาไอทำไมไล่นาไม่ได้ทามันชีดเกลียบเข้าสารไม่อดฮะถึงเขาไม่ถูกใจก็ไม่เอาถ้าป้ายไม่แดงก็ไม่ามานั่งรถย่ห้อแพงกเขาก็ไม่เอามานั่งโทรศัพท์มันการท่าไม่แพงกว่าเขาก็ไม่เอา จักรยานใช้ยืมห้องไม่แก้ไม่เอารถใ托车ยืมห้องไม่แก้ไม่เอาเดี๋ยวก็ชมกันตายภาษว่าเราให้ใจควนกันพูดทักจีบบ้นไม่จีบบ้านกวกว่าต่ยางโน้มแต่อะไรรถ摩托车ไม่รู้เกี่ยวกับจะอะไรู้ตายแล้วแดกหรือ่าเข้าใจไหมหอตายไว ตื่นนะมอตัยไว้หลพ่อมันอยู่ที่นี่สเดือนไม่เห็นรถงกันนะมไทยไปวันเดียวเห็นแหละไม่เจยมัน็ันะไปเคหน้าละอายมไทยมพทมไทยมพุเาามชาติไปเที่ยวเขลรวยพอลงจากเครื่องบินเคิ่ โค้ของเขาแหละจึงแท็กซี่ไดตรงนี้ให้มาแล้วโรงแรมสมท่าไม่รู้จักพาเขาโค่งไปไหนคนนั่นองเราวงเวลาให้ในเวลากาวๆผมเรื่อยๆของเขาติดต่อไว้ดีมั้ยจะไปไหนมาไหนใช้หน่อยใช่น่ายห้เบอ่์ไว้ใส่ใส่ว่าใส่ไปสบายอีกรวดหาพื้ที่ เราหู้งก็งเลยป่ะฮะแต่ที่ก็จะทำสวยงามน้วยกันก็คนยิ้เท้าคมอื่นเขาเราเป็นปี่อเขาตายตัวแน่เห็นบ้างรึมันเสีนตายเพรามันใช้มันฝุดเขาเป็นพึ่ง่มโพล้มชัยจากพระพุทธศาสนามันใช้มันง่ายยิ้มสยามันยิ้มสนามมันยิ้มแต่นี่ไม่สนามกหน้าปุ๋ เพราะอะไรมากูมันนี่เยอะมใ่ตำหนิาแต่หลักเหตุผลเสียใจมึงใส่มือพูดมึงใส่มึงพูดใหถ้าเอาใหญไม่ต้องความอะไรมากนะประเทศไทยถ้าอยู่สิ้นธรรมนะหน้าอยู่มันน่าเที่ยวถ้ามีื่อไทแต่ตั้งตัดิมเดิมอย่ไปที่ไหนจะเรียกทานเ้าทาอาหารปี้องรูดิกินน้ำกินเขาต้า จิงจนกนไปเนิ <c ười> ้ลนี่มาเลยจ้กันเดภาษาอีสาน่องค์นาตงไปทรงนี้เด้เปนไงอ่ะยกอนจะเก่ยวอยู่ยุงแต่ใส่ทานจะแบบก็ได้ทานแล้วนะอย่างนี้จิ้งโยืดหางสั้น่คนจันทร์ใสมมจเ ทุกวันเนี่ยโอ้ยแตลูกก็เก่าพ่อกับแม่ต้องซื่อกันกินน่ะแต่ว่ายังไงรถค้นถูกไปที่ไหนล่ะพูดเึ่งตั้งเดิมโอ้พูดกันนันนะครับของเจ้าพูดัตร์นะพวกเราสั้งหดปราณห้าพันปีห้าันปีนะเรงก็เริ่มไปหมดไปหมดไปหมดแย่ก็ไปแย่ไปถ้าเราเกิดทีครั้งที่สองพันกว่าปี ถ้าเกิดท่วงยแหลมยังไงตมแหงจะแหงตบมือาเป็นต า, ต, ตานาทระเจ้าจวรวงบัรู้ว่จะพูดห้บที่ใช่ไหมมีจีแองก์กบุญศีลวัดมีจีวัดบอะกบบุญเป็นทำบุญทำน้ทานทาบุญอาหารใจทำทานอาหารตายมีอะไรบ้าง่านหนูขอน้ำพน์อาหารเครือ่องนุ่งเรงมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีกียาท่านนี้มรูปกี่อย่างลัะ ใ <c oughs> นปร <c oughs> ะเทศเขาอย่างเดียวนะเขาสั่งอาหารโดยวกวพาคนถทยนนะมี <c oughs> อะไรทำเขาใส่อาหารใส่ขนมปังใส่อะไรความใสถาดไป่รต่ะการรักรองเรียบจริงก็กเรีบไปใส่เงินพอมีคาพวกคนไทยก่ายาค่าับงค า, า, าเข้า โตกะมึงก so ็ลูกกี่อย่างแู้กกี่อย่างนั่งก็นานงไปด้วยนั่งก็ลุกลุกก็ใส่ก็ใอ่สารมึจับว่าอะไรกกันอย่ตเบียดสะแกกนมันือตามประเทศเขาสังเกตตัวที่ไหนโตกไหนเป่นควยนีก็เขาไปใกล้แล้วเสรแล้วเลอกิ้นเดนด้วยาม ทีเดินไปเอาแ้เลเป็นเทพสินเจ้าคุคาล่างรวยค้าย่าจานคานสปูค่าเซ็ตรวยเจกจานเป็นคมาทีร้ามรเต็เขแียวไว้ได้พร้อัเขาขนาดไม่ได้นก่าเป็ดเจตันประกกักันว่ายู่หรือยู่อนนี่แหละเด็กเก็งกฎหมายเปนว่ามาอยู่มเดือนก็มีรถ ไปหลวตงต้นปัญญาจัากผมว่าอีกแล้วโอ๊ยแต่ผมต้องไปยังที่ท่าคนบ้านเมืองพวกคนนั่น <c oughs> ง มันฆาแม่งี่หลังูมกรได้นั่ใกล้พวนมาทหลังได้อยู่ไกลๆหน่อยทางภาษาของพระสงฆ์กนั้นแก่ตัวมากเลยมีตันนั่งถอยหลังถอยหลังตัตัวรูได้บานอกไปนพระว่าใครตอบใกล้ได้การถามยันมึงมีคำตอบที่เทุกคนนี่สิะมากไว้กันกับไ จับคนตายได้มามาไดุวยกุตติามกษตริก์ในความศักดิ์สิทธิ์พอใจไหละ่ะถ้าจับคนตายได้จะจับคนเป็นไม่ได้ <c oughs> ไมันได้นะนจับได้จับอะไรต่อกันไม่ได้ก็ <c oughs> จับโองค์กุมอยู่ได้ <c oughs> <c oughs> จับก็ได้ถ้าของก็ได้ไปพระองคกุล แต่จะจงรุญาตให้พระพิจิตสงไข่ผ้าของะกุลผ้าหา่อศมหาของสกุลใน่ทศกาของสกุลรถกะุ้มรเหมือนทุกวันนี่ทุกวันเนี่ยไปให้ยเยอะแยะยจะักก็ข า, ายของในวัดแล้วเห็นไหเคยสังเกตไหมโยมมาของสกุลมาทฐานรัฐธรรมนไม่ต้องมาอ็ไรที่นี่ก็มีให้เช่ามาวัดสุนทรีหล่ไงนี่เอ๊ พระท่านใสพร้มตะบงกวันไต่มาพร้อมไส่หน่อยไต่ในฝาพระท่านผมหน่อยมง่ายปกันเท่าไหร่ประกันนา้อยหอยนอยผมหน่อยกันมาพันง่ายเกินน้ำกันมาเมืองกินผัดอยู่รนี้อยู่กับว่าตักเแระูไปไหอีกคนเป็นมากอีกําตั้งกระฐานอะไรระปฏิก้อนกีวันตะบงกีวันทำปฏิก้อน ความด้วย <c oughs> น, นเราควรไก็้งเเพราะว่าพระพุทธเจ้า้เลือกพระเใหการเลือกให้พระพุทธองค์ทรงสรเสริญเราหับนึกติแล้ว่าพเะภิกษุ่าพระมิแล้่เล้งจะเขียนจะอ่อานจะทาดีทำตัวเ็งประโยชน์นั้นประโยชน์้เพรว่าไปเลย ราบอกโยมโยมทุกจุตยาโยมแต่ว่าทานให้แตยท่าทำบุญเยอะๆทด้วยเยอะๆมันจะทะเลาะกันเนี่ยสามที่สามแล้วงั้นท่านๆหลายทลาะกันเอไว้แ้วอกว่าฝากบเรียบมิตาเป็นยจริง กัดตู้ยก็ายากด้วยที่เราถรูรูรรลัลามืนระเจ้าที่ไม่ชืออ่อเลือกไม่เราก็มีเวลาในเลือกนะถามว่าปึปในบาสมัมเป็นพระพระไม่มีศีลไม่ทำพระไม่มีบุญพระคือการแอบพระมีในเหมือนกัน รัาปดกมืนกันปนะัจจยดกไม่ได้รัษาให้คนได้คือการรักษ า, า ต, ตั้ก็แต่งมดกธรรมะอยู่ในสู้ธรรมะอยู่ในตู้ให้จะสู้ธรรมะอยู่ในใจในหะ้มีธรรมะอยู่ในใจคนงามงามที่ใจไท่งามไปหน้าคนรวยรวยนะ่ะมันสวยสวยแตาแต่ตาบาน คนจะรวยคือรวยสินรวยฐานไม่ใช่บ้านใหญ่บ้านโตเรืองสินมีสินก็มีสมาชิกสัญญามู่บ้านมีคนลักสินบาร์พระสัตอมั่นตราเมื่อไรสัมปจงกัญักมันตราักัญชักวันออกมั่นตราทมานได้เฮไปห้ไปปะลำากเลยทับุญเวลาไปทำบุเนี่หน่อยห้องผา แค่ว่าจะเินแหยะเดกมาแดกหลังแล้วก็ยังจับยัไท้จ้นดอกไม้ถูกเชิ้ตนล้วเป็นบาทอะไรกับจับยัดไส้เนี่ยหน่อยเนี่ยไหลสัดสัดคือคุณก็เท่หันจากหันอยู่ขาพูดว่าไปทาบุญวยวะหนูทรจ้ะไปว่าทำบุญไปบ้านไปออกพรรษาทาบุญพาเอาที่นองทาบุญน่ะเห็นปะไปแล้วพอดีนําบุรถเด็ มาเหมือนไปคนที่บอกเพื่อนมาหมดหรือยังไม่มาแล้วค่ะคราแล้วค่คุณยังไม่เป็นไรค่ะท่อน๋อแต่ครบแร้วอบกลงกา พิมินาสกาเลนะพุท <Jamie> ธ <daughter> ังอาิปุชยามะิมินาสกาเลนะธรรมอาิปุยามะิินาสกาเลนะสังฆังอิปุชยามะอรหังสมมาสัพุทโธภะคะวะตั้งทำไงกัน นามสาสัมุโตปะะวะขุทังปะะวันตังอภิวาเทสวากาโตะะวตาธมโมธรรมังกัสสามิสุวัลิปันโนะะวโตสาวกสัโค สังฆนามีนโมทะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สุขินางสุ oh. um, oh. ินางวัตเมธานางวัตเมานงทารังเมทารังเมปริสุทธงปริสุทธางอาสาวะอาสวะยาวะหังยวะหังโตโคตวขาปจ้าขวขาจ้ายินดีให้ทานยินดีให้ทานของทานของทาน สมดำความปรารถนารอท้ามรอท้าพวกข้าพระเจ้าข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญกจงมีแต่ความสุขความเจริญสุดกายสุขใจหายจากทุกโศกโภัยหาจากทุกโศกโรคภัยกางานการเงินสิ่งด so ้ารงานการเงินส e ิ right. watercolor watercolor watercolor> ่งใดรรถนาสิ่งหนึ่งอันใดปรรถนาสิ่งหนึ่งอันใด็จงสำเร็จก็จบสเจกจสำเร็จเร็จ ทานมีมนุกปู่มาทำบุญมาพาทำบุญอันดับต่อไปก็นั่งทำบุญนั่งลงธรรมดาเสียมกระดับมขึ้นไปนิสาายัยสงบวางบนตักใต้นบนตักหัวทับใต้นั่งตัวตรงแบบตาเบาๆเอาติไปดูลมไปดูบุญบุญอยู่ที่ลม ในสติดีอยากคลงงิปดรำเริงจะชงใจไปทั้งหรือชงใจไปที่จมูกดูลมเข้าลมบอลมเข้าลมบอขัดทัด ได้เราปังสิ่งขงปู่มาให้ปังมาให้ทำหรือมาบอกให้ทำแต่คำเล็กหน่อยที่เราได้ยินกันอยู่คือว่าให้ทำให้ทำเป็นทานมีอานิสงยิ่งัวให้สิ่งใ ด, ใดทั้งปวงเข้าใจไม่ให้ทำบอกให้ดู ให้รู้บุญหรือให้ทำบุญพูดยาวๆนะเด็คนจนมากพูดสั้นๆก็มไม่เข้าใจกับว่ า, าให้ทำเข้าใจว่าเราจะเอาสินธรรมไปปันให้หมันตะตงขนมให้ทำบุญให้ดูบุญให้ดูใจบุญคือใจบุญอาหารใจทานเป็นบาป ทานเป็นได้บุญทานไม่เป็นเป็นบาปยังไงว่าทานเป็นทานไม่เป็นดิเอาของผิดทำผิดวีดน่นายก็ถวายพระนะอย่างอาหารสุกๆดิบๆนะไม่ได้จะทูกปัจจัยเงินทองจับจัดเสร็จซองจับจัดให้พระถวายพระตผผิดพิษพระ ก, เกดเตะควมโลกที่ตามจับพระดเพราะอะไร เพราะเอาปัจจัยอ่ะรือเอาเงินไปถวายพระพระเจ้ามาให้ไปถือไปจับให้ไปจะบรัจกรดโยมจะไปยุ่งคุ้ว่ายกันทะเลาะกันก็เรื่องไม่ใช่เรื่องของโลกเรื่องของเรื่องงงก็บงสมัครนั่นแหละเมือเพื่อนนี่ลูกนั้นเอาเสื้อมาให้หโยโกะนะอย่างนั้นแหละไปทำตามโยมเสียพระเรา พระนุ่งเสื้อไม่ได้พระเจ้าให้อดทนที่งเหตุมากเมืองนอกมาหนาเมืองนอกระหนาวที่ไหนกันหนาหมดเลยพระเจ้าไม่ได้บัญญัติที่ไหนว่าเมืองนอกเมืองในเมืองไหนก็ไม่ว่ า, ไ ม, ไ, าไม่ได้ทั้งนั้นอาหารตายของแตง ต, ตายยุ่งถึงว่าเป็นบาป ท, ทาเป็นได้บุญทให้เป็ น, นบาปเรื่องตาร เดแตเดือดไม่ดูใจแจงใจรักษาใจแต่งใจมีอะไรล่ะทำปูนคืออะไรอ่ะดูลมตัางเดียวแค่นั้นไปถามแล้วหมู่บ้านก็ไม่ได้เท่าสิลหนึ่งด้วยที่วันทษเจ้าสอนจะโยมได้หาสินหาทาหกปีอยู่ในจัตตลู่ให้ถึงเวลาจัตูแล้วจะให้โยมทําอะไรทานศีลปุนวันศีลก็เก็บ ว, วันเปมีขั้งหนึ่ง มีศีลเราเราก็มีทำบุญเพราะมันสะอาดของใจตัวโก่กใจตัวโก่งๆเรามันทำธรรมที่ไม่ได้ต้องมีศีลก่อนมีทานมีศีลมีบุญมีทานศีลภาวนาเราเคยได้ยินไหมไปพูดเลว่าทำบุญทำทานทำบุญทาทานแต่ทําแต่ทานแต่เกี่ยวโก่งๆตัวเองแบบศีลเศร้าหมองใจเศร้าหองบุญไม่ทําพระก็ไม่บอกทำบุญโยไม่ว่าโยสบาย ทหารโยมถวายของโยมถวายพระทหารโยมถวายทั้งกระฐานพูดแต่เรื่องแรงร่างกายหรือด้วยใจนั้ น, น, นเราทำบุญบอกไหมพระไม่เคยเห็นบุญหรือจะทำหมไม่บอกบุญถ้าบอกตัวนี้โยมก็จะได้มีสติจะมีปัญญาไม่โกหกกันไม่หลอกลวงกันไม่ปิ้งป้นกันไม่ฆ่ากันพระไม่จําทําอะไรประารใดโยม สินที่พูะเจ้าสนให้มีสินทานสินบุญทานแระทานให้ถูกต้องสินก็ปัญหาจินาการเมมุสาตุลาสิหนาครอบปาณาไม่ฆ่าเขาอะันอยู่ในโลกฉันทำไม่ได้เฉพาะวันสินกดไ็ได้หรือก้อนเงินเอาก้อนเงินอเขาจิ้งเลยตวาดปัญหาอะไบานก็แดุติด อต่ติณ่าทรัพย์สมบัติของเขาของเราเฮ้ยเป็นก่าวกายเอาสามีสมีภรรยาลูกเขาลูกเราูุสาโกงพกลมสุราเครื่องร้องของเหมืนเมาแั่นี้ไม่นใจเฉพาะสุราจะบ้าจาะปีนส์จะอะไรต่ออะไรกันเยอะเยอะจะทำให้คนเป็นบ้าบางคนจาบ้าเท่าไหร่ก็จะซื้อกระสีย mm. like ิ่งเข้าไปเราเป็นบ้าใช่ไหมถ้าคิตเราจะไม่ตายก็เป็นบ้าคนเรา บอกว่ายะว่าต้องะไรก็จะห้ามต่ออะไรก็จม่อใจเมื่อเวลาไม่มีจิตนี่เรก็ไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเพราะิไม่มีเป็นนั่งมันก็ไม่ร่วมใจมันไม่อยากทมัจะทานสิบุญนะเจาอย่างเข้าใจขนาดใจไม่ได้ซื่อพูดร่มามานานแล้วก็พูดนานแล้วร่ใจนะ ใจมันตายไม่เป็นพิ้งอยงให้ดูร่างขายร่บบางกายของคุณพ่อคุณแม่เกิดแล้วแก่เจ็บตายเกิดแล้แก่เจ็บตายไปโงรงพยาบาลที่ไหนไหนแล้วต้องยังอยู่คือตายแต่โรงพยาบาลของพระเจ้าทรักษาคํ า, ส, า, ส, าสองของพระเจ้าได้แล้วไม่มีเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีมีจุณนะระผลดิพั น, นไม่ใชาว่าไมไม่มีนะถ้าไม่มีมะผลดิพันไม่มีพระเหลือในประเทศไทย ผู้ที่ปฏิบัติเข็งมีอยู่ทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมโลกกับธรรมอาศัยซึ่งกันและกันโลกนี้อยู่ได้เพราะมีผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมโลกนี้อยู่ไม่ได้เห็นไหมเี้ยหนี้กำลังจะหมดแล้วผู้ปฏิบัติธรรมโลกกําลังเลิกเลือรอดแล้วโลกร้อนทุกวันเห็นไหมยึดภูมลมเข้าแล้วต้องกองทะเลาะ ก, กัน5้เดือนละความมร แล้วกประเทศไทยเข้าไปกี่แห่งนะครับนั่งท่วมกี่แห่งว่าปีนี้อุบอลไรเอ็กเห็นไหมลัเอไทยท่ะนะทบ้านเวลาฝนมาเอาพายุมาพ่อเลือ่อ้าพอไม่มีพายุเอาโรคเด็กมาพ่อแล้วก็โรคไฟก็เก็บต่างๆหน้านา่างโรครักษาไม่หายวัดน้อยวัดใหญ่วั ด, ดนวลวัดนี้เป็นอยิงข่าวเด้ มันเกิดข hmm. ึ้นได้เป็นไปได้นั่นแหละจึงได้เตือนสิ่งทำให้กลับมาโลกาพินาล้่ก็เฉพาะโรคนี้ในหัวใจเรามันตัดถ้าไม่มีสิ่งทำโลกาพินาโรคนี่ในหัวใจของเรามันเป็นโรคนันโรคนี้เจบใข้ได้เยโรคเมล็ดโรคแช่งปวดขาเก็บล้าเก็บเล้วเก็บเ็บนี้เป็นทุกอย่างหรืบอก่ออย่นันงนี้ยังไบอกของโรคว้างเล็กนั่นนี่มีโรคว้างหน่นตัวเรายังไม่บอกว่า การทาทส่วนนี้คือของคุณพอคุณแม่ไม่ใช่ตัวเราวเราคือใจแด่ให้เป็นเจ็บให้เป็นตายไม่เป็นธาใจเคยดูคุณเสียงชีวิตแล้วเจ้ากรรในเรือนเขาไปรอถามใจทุกลมอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยาพกพบพระพุทธศาสนาอยากปฏิบัติธรร ม, มตามคำสอนของพระเจ้าติดโสมมนุษย์สรริลาโพการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาเป็นปฏิสิจังพุทธสมุปะารักการของพพุทธศาสนาเป็นลาเป็นกิจขังศัทธามัตต์ประกรดำเนินไปความด้วย เป็นละ เ, เป็นระเึาางเปิดะเกระเรา ม, มาเจอแต่เป็นย่างอย่างเดียวนะรับประทานหรือเปล่าอาหารใจจะพูดเรื่องอาหารนะอาหารใจอาหารใจไม่ได้ซื้อด ร, รวมเข้าลงออกทำไมไม่รับประทานแบบพรเจ้าหามาให้แทบกร่มแทบตาย6กปีเึีงได้มาให้สอนเราฉันทำไม่ได้ฉันทำไมได้นะาําพูดท่าไรตะพูดเทําไรต้พูดทาไมจะทา ไ, ได้ดูหนึ่งนาทีไม่ตายหรอกวันหนึ่งหนึ่งนาที ต้องทำทุกวันนะนะทำในทำเอาอะไรไปตอบเจ้ากรรมในเวียนโขแล้าก็ตระหักเชื่อกันธรรมชาติใจทุกดวงมันใสสะอาดตอนที่ยังไม่มีร่างกายใสยสะอาดนะมีแต่ใจอย่างเดียวเวลาเราไม่ได้ทำกุงานตุนดีเราทกที่เดขึ้ อ, อาธิเกิดโอ้ยจะไปเกิดที่ไหนถ้าเราไม่ทํำกุงามบุนดีไว้คุณธรรของคนมีไหม คนการทำของคนไม่มีอบายภาูมิทั้งสี่ที่วังได้นะหรือไปเชื่อที่นี่เหรอใบายภูมิทั้งสีเ่เอะไรเป็นแปรเป็ร่างกายชารกระต้นคนเป็คนพิการคนทุกคนจะนเป็นคนอยู่แต่คนพิกคนพิการทุกอย่างคนหลักตัดต่ำก่อทานจนบ้านจนเมืองนยู่ใาอยากเป็นหรอกล้งติดกันขาติดกันศีรษะติดกันอะไรติดกันเยอะแยะป่าแปรเป็นคนอยู่แต่เป็นคนบาปกรรมตุก ลำบากนั่นทุกข์ที่สุดเรื่องอาชีพเวลาเจ้ากํามในเบงเขาไปทํามก็เห็นบุญบ่อเอาอะไรต่อเขาสิก็เห็นทางไปสวรรค์บ้อเอาอะไรต่อเขาโอ้ไม่ก็เห็นเพราะไม่เคยดูนะเห็นไหม ใ, ใจทุกวงอยากมาดูจุดนี้แต่แล้ไม่ดูเพราะมันหลงมีร่างกายแล้วมันทุกข์มันยากวุ่นวายเลยเป็นติดร่างกายเห็นไหมล่ะปาราอเวมันจับอันตรายอันห้ง5่วนเป็นภาระันัด นรือเราถามทำไม่มีธรรมะเป็นรูเราประกอบอยู่นั่นแหละาอาหารวันหนึ่งกี่ขั้งถ้าแต่งตัววันหนึ่งกี่ขั้งถ้าประดาประด า, าหาของประดาประดาวันหนึ่งกี่ขั้งเป็นภาระไหมน่ะรางกายจิตใจเห็นไหมเรเคยดูไหมบางคนไม่เคยดูแต่ดีไปดูลม เพร อ, อะไรมีวัดมีพระกราพระบ่อยๆเกล้าพระบ่อยๆไปวัดบ่อยๆแต่พระไม่บอกว่าทําบุญคือยังไงทําบุญคืออาหารใจดูใจแต่งใจรับตาใจทําไปเถิดไม่ได้ซื้อถ้าได้ซื้อลมชาไปบอกร อ, รอกรเอาดูลมจะซื้อตรงไหนถ้าได้ซื้อลมซื้อเขาเข้ า, ขาวกว่อนหน้าเข้าถึงนบางทลีลมเวลาแต่ลมมีเวลาไหมไม่หยุดสองสานาทีไม่หายใจสองสานาทีไปแล้ว แต่ไม่รู้จะบ้านยังไงล่ะเสียงกิเลสไม่ไหวใจรองดูทีวิ่งเท่าสองง่ายๆแต่คนทำไม่ได้คนเราชอบยุ่งมายุ่งก็คว่าสื่อมามาเรียนโอ้ยฉันมยู่ร้านเนี้ยเขาจูงมาเราจังผมอยุ่งที่ร้านฉันจีติเขาพักสบายให้ฝากมาลุงมาเที่ยวเด็ด มึทงทกกับเขาจะด้วยนะเพราะเขาเกยบไข้ได้ปรียขเขาไม่พูดไม่ได้มัคนคืรักหมาโอ้ยเขาคุณจบประเทศไทยมีสมัยมาได้ตีมาตีปลาอะกับขาหมูขาไก่กนจะมอมตันเนี่ขาเนว้อขาเปื่อยเอเหเป็นฟับโตเาตีหมาหมาติการ้นตีสักอะไรก็จะแน่นจากให้ทากัทานทำหมู วหนึ่งหนึนาทีนี่สัจจะที่จะได้ทํานะบุญย่อมรักษาผููมีบุญบุญย่อมปกป้องคู่ฟ้องคู่มีบุญไม่ให้ตกทุกได้ยากต้องเชื่ออยนี่นะถ้าไม่มีบุญแข่งกันเราทำมาหากันที่ทุกเขาไม่ได้เราบุญต่อมนะครับทุกคนที่คนที่ดูต้องนั่งทุกคนนั่งดูหนึ่งนาทีเดินไปมาเราต้องนั่งเจ้ากัน ไม่งั้นไม่ต้ไปไหนหรือก่อนนอนถ้าไม่ได้นั่งดูลงไหมใจก็ออกไม่ยอมนอนมันด้ดไปที่ตาที่เหล็ให้กติ้งโให้เราไม่มบอกให้คนอื่นดักบอกตอนเอ็นมันแหะตนเตือนตอนไม่ได้ใค้เราจะเตือนคนนั้นเลมันพึ่งของตนคำของพระเจ้าเขอต้องลตอนเองที่ทุกคนไม่เตือนตอนเอ็นอยากลกอกต้ลกอยากโคตครจะละกละอยากพ้นข็พ้นจากตีก็ตี อกแก้กิ้งก็แก้กิ้งไม่มีธรรมะเป็นเรื่องกฎกัน้นผมจะพลาดก็เลยเยสียกิ้งเมั บ, บได้หลายไปเอาทิ้งหมดหาเลี้ยงหายาหาแต่งหาตับหาแปลงอยู่ที่ฟ้าขาวเท่าไหร่เอาทิ้งหมดผมเล่นผมเช่นหนึ่งเอาไปด้วยไม่ได้มีแต่บาป ก, กับบุญตามใจได้เขาใจมีบุญไหมน้าได้บุญอยู่ได้ บ, ดบาปขาดบุนแล้วนาได้บุญอยู่ได้บุญกับบ้านเก่าได้บุญเตรียมตัวก่อนกลับ เาไเตรียมตัวไหมจะไปเมืองไทยทาไมเตรียมตัวล่ะเตรียมนู่นเตรี ม, มนีมม่ <c oughs> ถ้าจะไ ป, ปะไปไอ้พานทำไม้ราไปเตรียมบ้างไม่ได้ไม่ไปเลยถ้าไม่ไรู้าทางไปก็มาจากไหนมาจากมันนรกนะคืบอบอกเาเมื่อกี้ ว, ว่าจาวบานเอ้ร่วยกับสวยงานเ ป, ป, ป็นนรกลองจิตดูกบแฟให้ฟันได้ําด้วย ว่าเขามาป่นมากี้มาฆ่ามาตีเขามายืมเขามายิมจะแม่มาตรงปืนสองสาวันสองสามครั้งถามแล้วแม่มาปืนเอาปืนไปด้วยตืเป็นนรกไหมยังกันทะเลาะกันฟ้องร้องกันเวยงามตกเป็นนรกไปละดันซื้อเม็ดเพชรรินกินตามั่นอันละล้านสองล้านไนโกหกทุกวันนี่หอกวงกันก็เรื่องแต่งงานไม่ใช่เรื่องเว้ยงามไม่ใช่ก็ เขาตองบันงึงกันห่วงกันทะเลาะกันสามีพูดกับผู้หิงไม่ได้ผู้หญิงพูดกับผู้ชายไม่ได้งึงเปนรกไหกลับบ้านมาทะเลาะกันจะทางานเมื่อไร่จะกลับเดี๋ยวเพื่อนาไปทานอาหารนะเขงเล่งไปทาบุนิดหนอยนอกเมียเดีวันีกลับบ้านมาเลยที่บ้านจะมีออาหารยัไม่แล้วมุกลับตามเวลาแท้หลายขั้มต่อไปเลย่อ นั่นเห็นว่าเป็นนรกว่าล่ะนี่ต้นถูกตรงไหนละ่ะเนี่ยพราะฉะ น, นั้นจงึงปากไว้กาไปทิ้งหนึ่งาทีต่อวันวันหนึ่งครั้งหนึ่งพระเจ้าผระสงพระแม่ครูบาอาจารย์แผ่เมตตาให้ถ้าเรามีภ า, าชนะทองรองรับพอได้รับภาชนะทองคืออะไรคือเรานั่งสมาธิหนึ่งนาทีนั้นท่านก็แพ้ด้วย ได้ตลอดรันดท่านแผ่ตลอดรันบอยู่กับการแผ่เมตตาให้ตนเองให้จัดโลกดินทุกคนแผ่ได้คนแม่ครูบาอาจารย์สิ่งิสิทธิ์กอบกองคุ้มครองก็แผ่รับเอาแล้วอแรับเอารับคอยที่เหมือนนั้รมดาโปรยฝนลงมาคนมีบัญญาเขาไปลองรับคนไม่มีบัญญาควายหน้าฝนไหลทิ้งนี่กันได้เหมือนกันทางทุกิงศักดสิิ์แผ่เมตตามาให้จะเราเป็นนก็ขอบก็บาชิ่งเหล่าชิ่าที่ไหน ทำไมไม่ดูดที่ใจบ้างนะงั้นเราส่งสิ่งของไปให้ญาติพีน่น้องคนไทยนะถ้าญาติพี่นอ้องอยู่บาทก็ได้รับเท่านี้ไปแล้วไม่ได้รับเนี่ยนี่งต้นต้นผมาให้จงกอนในขอโยมนั่นโยมนี้แต่โยมไม่อยู่กับใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ไม่อยู่กับเนื้อกับใจบไปไหนล่นะสำคัญอยู่ตรงมาให้ใจ ใจเป็นนายตายเป็นบ่าวสาคัญที่ใจมโนกูขํากรรมมาธรามามโนเสถามโนเวชามทำต่างหลายใจเป็นใหญ่มีใจเป็ น, นาสําเร็จดีใจที่อยากเห็นหหนักภาภูวงใจแต่งใจรักษาใจเวลาเจ้ากรรมในเวรเขาไปถามหรือพญายมพิบาลถามเคดูบุญไหมตอนมีชีวิตดูทุกวันดูทุกวันนั้นตอบเขาก็ก็มีแล้วมันตอบได้นะใจของเราถ้าเราได้ทำได้ดูได้รู้ได้เห็น เหมือนะ น, นอาหารทานกายนี่แหละถ้หิวหิวหวทานอาหารโยมทานอาหารโยมถ้หิวทาน ร, ร, รู้ว่ายิ้มเป็นไงหาย ห, หิวมีอาหารใจละบอกทานบอกทานก็ไม่ทานเป็นหิวจะยิมได้ยังไงจะมีบุญเนีบอกไห้ hey, ดูบุญดูบุญไม่ดูไม่เอาให้เราไม่เอาก็คือไม่ทานั่นแะหละนั่นแหละให้บอกทำหลวงปู่มาให้ให้ทําบุญให้ดูบุญ ไมือด้ซ <Yeah. S 3> ื่อรู่มฟงนะเตรียมหน้ามดอถือเตียน้าตัเนี่ีาองที่านรักษาานนี้มือนพระเจ้าประทมมาเป็นุลยนุลที่เได้ทำแบบนีุ้ลุงุงพระเจ้าะทประ่กับิางร้ายหาบนอะไรนี้ก็องมารวมกันยผว่า ทงานถงใดทำงานงดาสนาถึงอกระโจมกษตรทำสำเร็จโดยเฉพาะในการทำคสอนของพระพุทธเจ้าลงาคนตั้งหตังใจปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าและต้มีดวงใจได้เห็นินเห็นธรรมเห็นมรรคผลเห็นัเห็นะเาในปัจจุบันในานี้เิเสบ กายา